ณโอกาสต่อไปนี้ขอเชิญท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจฟังธรรมการฟังธรรมคือฟังจิตใจของเราเองให้กำหนดรู้จิตในปัจจุบัน เอาเสียงการแสดงคำเป็นอารมณ์สิ่งรู้ของจิตสิ่งระลึกของสติเป็นวิธีการที่ฝึกสมาธิโดยยึดเอาอารมณ์ปัจจุบันเป็นอารมณ์ของจิตแล้วก็ฝึกทำสติรู้อยู่กับสิ่งที่รู้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งอาศัยหลักทั่วไปด้วยวิธีการทำสติกรรมหนดรูการยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดทุกลมหายใจอันนี้เป็นหลักธรรมสมาธิแบบสากลเมื่อเราพยายามฝึกขัดทำสมาธิแบบนี้เราจะไม่พบอุปสรรคขัดขวางในการปฏิบัติ และเราไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาไม่ต้องอ้างโน่นอ้างนี่ว่าเราไม่มีเวลาจะทำเทียงจะเรามาหัดรมสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดทิ่ทุกลมหายใจเป็นการฝึกหัดจิตให้มีสติสำ ร, รวมระวังอยู่ทุกลมหายใจ เมื่อหากเราสามารถฝึกขัดจนคล่องตัวไมว่าเราจะขยับไปทางไหนยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดสติที่ทรงพลังจะทำหน้าที่ตามรู้อยู่ทุกขณะจิตเป็นเช่นนั้นการปฏิบัติก็รู้สึกจะเริ่มเริ่มจะได้ผลแล้วอันนี้เป็นหลัก ปฏิบัติสมาธิโดยทั่วทั่วไปเพียงแต่เราทําสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทาพูดคิดไม่ต้องไปนั่งสมาธิหลับตาภาวนากันที่ไหนไม่ต้องเข้าห้องกรรมฐานเจ็ดวันสิบห้าวัน ไม่ต้องสละงานในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบอยู่ไปสู่สถานที่วิเวคแห่งใดเราปฏิบัติกันเพียงแค่นี้เราสามารถที่จะทำสมาธิให้เกิดอย่างแท้จริงได้ไหมอันนี้ขอยืนยันว่าได้เพราะในหลักมหาสติปัฏฐานท่านสอนไว้ว่า การก้าวไปก็รู้การถอยกลับก็รู้การคู่แขนเหยียดแขนรู้การกระพิบตารู้การคิดอ่านอะไรรู้เอาตัวรู้ตัวเดียวตามรู้เมื่อตัวรู้ด้วยความตั้งใจที่ตั้งใจตามรู้เมื่อสติสัมปชัญญะทรงพลังขึ้น ตัวรู้ที่เราตกแต่งเอานี้จะกลายเป็นอัตโนมัติสามารถที่จะตามรู้ความรู้สึกนึกคิดและความเคลื่อนไหวของเราเองอยู่ทุกขณะจิตเมื่อตัวรู้ตัวนี้มีพลังแก่กล้าขึ้นจิตสามารถที่จะมีสติตามรู้ทุกสิ่งทุกอย่างอันเกี่ยวข้องกับชีวิตประจาวันของเราทุกขณะจิต เมื่อเป็นเทนนั้นโอกาสที่จิตจะสงบลงเป็นสมาธิซึ่งประกอบด้วยองค์มีวิตกวิจารณ์ปีติสุขเอกคตาย่อมมีได้ในโอกาสใดโอกาสหนึ่งและสมาธิแบบนี้จะไปเกิดขึ้นในขณะที่เรานอนหลับโดยธรรมชาติของบุคคลเราที่นอนลงไป พอศีรษะถึงหมอนจะหลับเลยทีเดียวไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เป็นนักธุรกิจที่ต้องใช้ความคิดมีความกังวลกว่าจะหลับได้จิตก็จะต้องคิดไปจิปาถะสารพัดที่เขาจะคิดไปตามเรื่องตามราวที่เขาคล้องอยู่เมื่อเป็นเช่นนั้นเราหัดทำตสติตามรู้ความคิดที่คิดขึ้นมาเอง เมื่อเกิดนอนหลับลงไปเมื่อไรสมาธิจะเกิดขึ้นในขณะที่นอนหลับพอหลับสนิทลงไปจิตจะนิ่งสว่างมีปีติและมีความสุขเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตก็จะดำรงอยู่ในสมาธิตลอดคืนยั่งลุ่งบางทีสิ่งใดที่ยังคล้องใจอยู่ เขาจะเหนียวเอาอารมณ์นั้นๆเข้าไปคนคิดทิจรารณาแล้วก็แก้ปัญหาข้อข้องใจตกไปนี่สมาธิเกิดขึ้นในขณะนอนถ้าใครสามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นในขณะนอนได้เป็นดีวิเศษที่สุดเพราะพลังของสมาธิทำให้กายเบาจิตเบา ทำให้กายสงบจิตสงบถ้าแถมยังมีปีติและความสุขความสงบภายในสมาธินั่นด้วยร่างกายจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เลือดลมภายในกายจะเดินหมุนเวียนได้คล่องตัวเพราะกายเบาจิตเบาด้วยพลังของสมาธิแต่ว่าท่านอย่าแปลกใจ ว่าทำสมาธิแล้วนอนไม่หลับทั้งคืนเดี๋ยวจะสงสัยตัวเองว่าเป็นโรคประสาทแต่แท้ที่จริงนั้นกายหลับอย่างสนิทและหลับอย่างสบายด้วยแต่จิตเขาไม่ยอมหลับเขาสงบลงไปกลายเป็นตัวพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานอยู่ตลอดคืนย่างลง เมื่อเราตื่นขึ้นมาแล้วจะรู้สึกสดชื่นเบิกบานจิตใจปลอดโปร่งนั่นคือพลังของสมาธิที่เกิดขึ้นในเวลานอนเรานอนหลับแท้ๆทำไมสมาธิจะเกิดขึ้นได้ท่านเคยสวดธรรมคุณหรือเปล่าอากาลิโตธรรมะไม่ประกอบด้วยการเวลา ธรรมะอาจจะเกิดขึ้นในจิตของโูปฏิบัติหน้าโอกาสใดก็ได้ดังนั้นจึงขอถือโอกาสเตือนท่านทั้งหลายไว้ว่าขณะที่ท่านนั่งสมาธิตลอดคืนย่างลุ่งจิตไม่สงบอย่าน้อยใจการปฏิบัติแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นเป็นการสะสมพลังจิตเอาไว้ ขณะใดที่ศีลสมาธิปัญญาอันเป็นองค์อริยมรรคไม่ประชุมพร้อมมีพลังไม่เสมอกันจะยังไม่สงบแม่สงบก็ยังไม่เกิดสติปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาประชุมพร้อมกันขณนะจิตใดขณะจิตนั้นย่อมบันดาลให้จิตสงบและมีความรู้เกิดขึ้น แม้เราจะยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดบางครั้งอาจจะไม่ได้ตั้งใจกำหนดจิตทำสมาธิแต่อาศัยพลังที่เราได้ฝึกผัดอบรมติดต่อกันเป็นจิตวัตรประจำวันทางทางที่เราไม่ได้ตั้งใจจะให้มีสมาธิแต่สมาธิก็เกิดขึ้น บางทีเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังคุยเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องปฏิบัติธรรมสักนิดแต่จิตก็มีอาการสงอบผู้ฟาบลงไปแล้วรู้อะไรดีๆขึ้นมาได้อันนี้คือพลังของสมาธิที่เกิดขึ้นในขณะที่เราไม่ได้ตั้งใจ โดยอาศัยพลังที่เราได้ปฏิบัติสืบเนื่องกันอยู่ทุกวันทุกวันอันเป็นจิตวัตรประจำวันการปฏิบัติเพื่อจะให้จิตสงบการปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดปัญญาการปฏิบัติเพื่อจะให้เกิดการหมดกิเลสหรือความรู้จริงเห็นแจ้งเราต้องลงทุนลงรอนมากหน่อย แม้แต่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ยังใช้เวลาถึงหกปีเราปฏิบัติกันมาแล้วกี่ปีโดยวิสัยของพระพุทธเจ้าใช้เวลาหกปีวิสัยของลูกศิษย์ลูกหาพุทธสาวกนี่ควรจะใช้เวลาสักยี่สิบปีเพราะฉะนั้นในขณะที่เราปฏิบัติอยู่ผลงานยังไม่เกิด ก็อย่าไปน้อยอกน้อยใจทำไปเถอะบางทีเวลาจวนจะสิ้นใจสมาธิเกิดขึ้นในขณะนั้นได้สาเร็จมากผลนิพพานไปก็มีถมถไปพยายามปลูกฝังความเชื่อมั่นในคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แน่วแน่และเชื่อมั่นในสมถภาพของตัวเองว่าเราสามารถที่จะทำได้ปฏิบัติได้ เพียงแต่เชื่อมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่เพียงพอเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นพระหา้าแล้วก็เป็นอินรี่เมื่อเราเพียงแต่เชื่อมั่นในพระพุทธเจา้าแต่เราไม่เชื่อมั่นในตัวเองเราก็คืบคลานไปหาพระพุทธเจ้าไม่ได้ เราต้องเชื่อมั่นในตัวเองเป็นเรื่องสำคัญเมื่อเรามีความเชื่อมั่นในตัวเองคือมีศรัทธาในตัวเองเราก็สามารถที่จะเกิดความภาคเพียรพยายามที่จะปฏิบัติในเมื่อมีความภาคเพียรพยายามที่จะปฏิบัติเรามีความตั้งใจคือสติ เราฝึกหัดสติให้มีความแน่วแน่และมั่นคงกลายเป็นความมั่นใจคือสมาธิเมื่อเรามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิสมาธิที่อบรมดีแล้วเป็นพื้นฐานเป็นมูลเหตุให้เกิดปัญญาปัญญาก็คือตัวสติที่รู้รอบคอบอยู่ที่จิตระวังรักษาอยู่ตาจาแล่ใจ สติสัมปชัญญะที่สามารถตามทันรู้การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิดอยู่ทุกลมหายใจนั่นเองอันนี้แหละคือปัญญาที่จะรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดตีปัญญาอันนี้จะเป็นเหตุให้รู้จักรักษาตัวรอดเป็นยอดตีได้อย่างไรเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดูอยู่ที่การเดินเดินนั่งนอนรับทานดื่มทำพูดคิด ความเปลี่ยนแปลงในเอริยาบทดังที่กล่าวตลอดความคิดอ่านย่อมเกิดมีขึ้นเมื่อเราเดินเราก้าไปเรื่อยเท้าเราก็เปลี่ยนที่ยืนเปลี่ยนที่เหยียบย่างไปเรื่อยในเมื่อเรายืนก็เปลี่ยนจากเดินเป็นยืนเมื่อนั่งลงก็เปลี่ยนจากยืนเป็นนั่งเมื่อนอนก็เปลี่ยนจากนั่งเป็นนอน เมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดีแล้วเพียงแต่กำหนดการยืนเดินนั่งนอนเท่านั้นเหตุเพราะสมาธิจะเกิดความสำคัญมั่นหมายในอนิจจสัญญาคือความจำหมายว่าไม่เที่ยงเมื่อกำหนดอิริยาบถว่าไม่เที่ยงต้องมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาสติสัมปชัญญะดีสมาธิมั่นคง ปัญญาสามารถที่จะสอดส่องรู้แม้แต่ความคิดที่เกิดขึ้นดับไปอยู่ตลอดเวลาเปิดอเนจสัญญาขึ้นมาก็มีความสําคัญมั่นหมายว่าความคิดที่เกิดดับอยู่ก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเมื่อเรามากําหนดหมายความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของความคิดที่เกิดดับอยู่ทุกเวลาได้แล้ว ความคิดที่อยู่ในสภาพปกติสมาธิก็มีมั่นเด็ดมั่นคงปัญญารู้ทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลาแม้จิตมีความคิดจิตจะมีอยู่อจะอยู่ในสภาพปกติไม่หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงหรือเอ็งเอียงกับความคิดนั้นแต่ถ้าขณะจิตใจโมหะเข้าครอบงำจิตจะยึดความคิดนั้นทันที เมื่อจิตของเรามายึดความจ็ดนั้นความปรุงแต่งอันเป็นเหตุให้เกิดความยินดียินร้ายก็ย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อเกิดความยินดีนั่นความาตันหากํำลังจะเล่นงานเราแล้วเมื่อเกิดความยินร้ายนั่นมีภาวะตันหากํำลังจะเล่นงานเรา เ, ม, เา ม, รามื่อไปยึดทั้งสองอย่างภาวะตันหากกำลังจะเล่นงานเราแ ล, ล, ล้ว เมื่อเราโลภะความตัจจาหาภาวะจำหาวิภาวะจำหามีเต็มอยู่ในจิตเมื่อจิตไม่สามารถที่จะขับจำหาทั้งสามนั้นออกไปได้โอกาสที่ทุกข์จะไม่เกิดจ้ำไม่มีเมื่อทุกข์อาศัยัำหาเป็นแดนเกิดปรากฏขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติแม้ว่าความรู้สึกของเราในขณะนั้นอาจจะเป็นสุข เป็นสุขเพราะอาศัยความยินดีความพอใจนั่นคือสั ญ, ญลักษณ์แข่งทุกข์ขัดจะบังเกิดขึ้นในจิตเพราะทุกสุขเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมมีการดับไปนอกจากจะทำจิตให้รู้สึกเฉยๆอยู่ความทุกข์ยังจะปลากฏขึ้นมาอีกในเมื่อทุกปลากฏขึ้นมาจิตของเราผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญา สามารถที่จะกำหนดรู้ตัวทุกข์กษัตริย์ในขณะนั้นทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งสองอย่างนั่นแหละคือทุกข์อริยสัพพุเตจารัสสรุเมื่อทุกข์โศกรากขึ้นในจิตสลับกันไปนอกจากจะรู้ความเปลี่ยนแปลงของสภาวะคือผลซึ่งเกิดขึ้นบางทีก็สุขบางทีก็ทุกข์มีสติสัมปชัญญะดูอยู่อย่างนั้น จิตก็ย่มสามารถที่จะรู้ความเปลี่ยนแปลงของสุขและทุกข์อยู่แต่ทุกข์ขณะจิตก็เป็นว่าจิตของเรารู้พระไตรักษ์อนิจจงทุกขังอนัตตาอยู่ทุกลมหายใจทุกขณะจิตเมื่อทุกข์ลาโกรขึ้นในจิตเราจะทำอย่างไรสังโคปณีดังลูกขั้งอริยสัจจังเปรินยัยยันติเมพิกขเว ดูก่อนทศโซทั้งหลายทุกเป็นธรรมชาติที่ผู้ปฏิบัติจะพึงทําสติกหนดรู้แล้วพระเองค์ไม่ได้ว่าให้ละทุกนะท่านให้ทําสติกหนดรู้รู้จนกระทั่งว่าจิตของเรายอมรับว่านี่มันเป็นทุกข์จริงๆในม่เห็นจริงว่านี่คือทุกข์จริงๆยอมรับสภาพความเป็นจริง แม้ทุกมันจะยังไม่ดับไปก็ต้องดูมันอยู่อย่างนั้นในเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะดูทุกที่อยู่ในใจตลอดเวลาเมื่อสติปัญญาแก่กล้าขึ้นเราสามารถที่จะตัดสินได้ว่า น, นี่คือทุกอริยสัจ ท, ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เมื่อทุกอริยสัจปรากฏอย่างเด่นชัด เหตุของผู้มีสติสัมปชัญญะมีปัญญาจะาวานหาเหตุว่าทุกนี้เกิดมาจากไหนในเมื่อสติปัญญาสามารถที่จะรู้แจ่มแจ้งเห็นจริงได้ก็ต้องรู้ว่าพวกตัวนี้มันเกิดมาจากตันหาสามคือการมตันหาภาะวะตัหาวตันหา คามตันหาภวะตันหาวิภวะตันหามันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากอิทธารมคืออารมณ์ที่น่ายินดีพอใจเกิดมาจากอนิธารมคืออารมณ์ที่ไม่น่ายินดีพอใจอารมณ์เหล่านั้นเกิดมาจากไหนเกิดมาจากตาหูจมูกเล่นกายล ใ, ใ, ใจเราโพธเจ้ารับสั่งถามพระอา น, นุ์ว่าอานนุ์ ตัญหามันเกิดที่ไหนแหละมันจะดับที่ไหนพระอานุทูลให้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาพระองค์ก็เทศนาว่าตัญหามันเกิดที่อายตนาหกคือตาหูจมูกกลิ้นกายในใจในขณะที่โลภเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำมารมณ์ผ่านเข้ามา ในเมื่อสลภเสียงกลิ่นรสสัมผัสในเมื่อโลภเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ผ่านเข้ามาถ้าจิตดวงนี้มีสติสัมปชัญญะมีความมั่นคงมีความเป็นกลางเที่ยงธรรมเพียงพอไม่ยึดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์นั้นสักแต่ว่าสัมผัส ร, รู้แล้วก็ปล่อยวางไปเพราะอาศัยความที่ไม่ยึด ตัวสังขารจิตจึงไม่ปลุงแต่งเมื่อตาเห็นโลกจิตไม่ยึดเพราะมีสติคอยป้องกันควบคุมอยู่เมื่อเราไม่นึกปลุงว่าโลกนี้สวยงามเราก็ไม่เกิดความยินดีเมื่อจิตไม่นึกปลุงว่าโลกนี้ขี้เหรเราก็ไม่เกิดความยินร้ายแม้แต่เสียงเปลนลดสัมผัสทำอารมณ์ก็เช่นเดียวกัน เมื่อจิตจกู่ใปกติมีความมั่นคงเพียงพอการรับรู้สิ่งนั้นๆก็สักแต่ว่าสัมผัสรู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปจิตมีความมั่นคงเป็นกลางอย่างเที่ยงธรรมผาอยู่ในสภาพที่จิตมีสมาธิจิตจะตั้งเด่นสว่างสวยัยมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลามีความเป็นกลางเที่ยงธรรมอยู่ตลอดเวลาอะไรผ่านเข้ามาท่านไม่สนใจ มีความรู้สึกเพียงแค่ว่ามีสิ่งมาสัมผัสรู้เท่านั้นจิตไม่ปรุงไม่แต่งตัวสังขารไม่มีความเย็นดีเย็นร้ายไม่มีเมื่อความเย็นดีเย็นร้ายไม่มีความมัจันหาภวะัตันหาวิภวะัตันหาก็ไม่มีเมื่อความมัจันหาภวัตันหาะวิภวัตันหาไม่มีจิตตัวนี้ก็เป็นนิโรธาคือความดับ ดับอะไรดับอาการแห่งความยินดีจินไลอันเป็นสั ญ, ญลักษณ์แห่งกามตัจหาภวะจำหาวิภาวะจำหานี่เมื่อเราทาสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนรับทานดื่มทาพูดคิดของเราอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความคิดยอมเกิดขึ้นที่จิตเราทําสติกำหนดรู้อยู่ที่จิต เสติสัมปชัญญะมีพลังเพิ่มขึ้นทุกตีทุกตีความรู้ความเห็นความเข้าใจในการพิจารณาธรรมของผู้ปฏิบัติธรรมจะบังเกิดขึ้นโดยในที่กล่าวมาแล้วอันนี้คือผลที่จะเพิ่งเกิดจากการทำสมาธิด้วยการกําหนดจิตตามรู้การยืนเดินนั่งนอนนับทานดื่มทำพูดคิดในขั้นต้นๆเราอาจจะใช้ สติเพื่อตั้งใจให้มันเด่นชัดลงไปว่ากา้าวหนอนั่งหนอกินหนอนอนหนอแต่เมื่อเราฝึกจนชำนี้ชำนาญแล้วเพียงแต่รู้อยู่กำหนดจิตรู้อยู่ที่จิตทำสติรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเมื่อกายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่กายก้าวไปจิตเจอบรู้ทำไหมเพราะจิตเป็นผู้สั่งนี่ วเวลาหยุดยืนจตเวลาหยุดยืนจิตจอมรู้เพราะจิตเป็นผู้สั่งเวลานั่งนอนจิตจอมรู้เพราะจิตเป็นผู้สั่งรับทานเดิมทำพูดคิดจิตรู้ทั้งนั้นเพราะจิตเป็นผู้สั่งไม่มีจิตเป็นผู้สั่งกายทำอะไรไม่ได้เมื่อกายกับจิตนี่ยังสัมพันธ์กันอยู่เราสามารถทำอะไรได้สำเร็จหมด ไม่ว่าจะพิจารณารรมปฏิบัติธรรมสร้างงานทางโลกสร้างงานทางธรรมทำได้สำเร็จหมดแต่ถ้าหากว่ากายกับจิตแยกออกจากกันเมื่อไรหมด่ากายก็ลังแต่จะเน่าเปือ่อยผูพังไปตามธรรมชาติของกายส่วนจิตก็จะจุตติจากร่างไปเที่ยวสแสวงหาที่เกิดใหม่ซึ่งสุดแท้จะบุญกรรม ในขณะที่จิตวิญญาณออกจากร่างไปลอยเด่นอยู่เท่านั้นเขาไม่มีอวัยวะไม่มีร่างกายเขาไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากนิ่งเด่นอยู่แต่ถ้าสัมผัสรู้ว่ามีกายซ้ำเมื่อไหร่หลแล้วเมื่อนั้นเขาเกิดความคิดอ่านขึ้นมาทันทีอันนี้ก็เป็นความจริงอันหนึ่งที่นักปฏิบัติควรจะกําหนดรู้ให้แน่ชัด พยายามกำหนดพิจจรณารู้เรื่องของกายของจิตนให้รู้ชัดเจนลงไปอย่าไปมัวแต่จะไปมุ่งที่จะรู้โลกตาโลกอื่นรู้แล้วก็ไม่มีประโยชน์ถ้าภาวนาแล้วไปเห็นเทวดาเทวดาเขาก็ไม่ช่วยมาขัดกิเลสให้เราดอกถ้าภาวนาแล้วไปเห็นนรกเราจะเอาน้ำ ทองแดงในหม้อนรกมาชำระล้างกิเลสก็เป็นไปไม่ได้เห็นพระเอ็นพระพรหมท่านก็ช่วยอะไรเราไม่ได้การปฏิบัติทำตามแนวทางของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องอยู่ที่การสร้างจิตของตัวเองให้เป็นพลังให้มีพลังเข้มแข็ง ม, มีสติสัมปชัญญะรู้รอบอยู่ที่ตัวเอง สามารถเยืนหยัดอยู่โดยความเป็นอิสระได้ตลอดการไม่ต้องพึ่งพาอาศัยอะไรโพธโทธรรมโมสังโฆหรืออารมณ์ที่กาหนดรู้เป็นแต่เพียงสื่อนำจิตให้ดำเนินเข้าไปสู่ความสงบตั้งมัน่นเป็นสมาธิมีสติปัญญาเมื่อเรามีสมาธิมีสติปัญญาแก่กล้าแล้วคำว่าพพธโทธรรมโอสังโฆหรือสิ่งที่กาหนดเหล่านั้นไม่มีความหมาย เรามากำหนดหมายเฉพาะแต่สิ่งที่มาสัมผัสรู้กับจิตแล้วสติรู้ทันในขณะปัจจุบันนี่เป็นเรื่องสำคัญต่อ น, นี้ไปจะได้กล่าวถึงเรื่องลักษณะของสมาธิหลวงปู่เทศทันเทศว่าสมาธิมีอยู่สองอย่างหนึ่งสมาธิในฌานสองสมาธิในอริยมรรค สมาธิในฌานจิตสงบนิ่งลงไปประกอบด้วยองค์วิตกวิจารปรีติสุกเอกะขะตาเทสดของสมาธิในฌานไปสงบนิ่งรู้อยู่ที่จิตหรือรู้อยู่ในสิ่งสิ่งเดียวไม่มีสติปัญญาเกิดขึ้นแม้จะดำเนินไปสักเท่าไหร่ก็ตามแต่ความว่างซึ่งเรียกว่าอาการสาัญจายตนะ ในมัจจิตไปลอยแป้งฟางอยู่ในถ้ากลางนภาอากาศอันอ้างว้างเจตพอจะฟานหาทีเจตเพือไปเจดวิญญาณเรียกว่าวิญญาณัญจายตนะมารู้ว่ามีวิญญาณกําหนดหมายสัญญาสัญญาอันละเอียดเข้าไปโดยลําดับจนกระทั่งถึงอาจินจัญญายจตนะในวสัญญานาสัญญายจตนะ จะว่ามีสัญญาก็ไม่ใช่จะว่าไม่มีก็ไม่เชิงไม่สามารถที่จะตัดสินให้เด็ดขาดลงไปได้ว่ามีหรือไม่มีเพราะฉะนั้นทานครั้นี้ท่านจึงเรียกว่าในวสัญญานาสัญญายจตนะถ้าใครปฏิบัติไปตามวิถีทางนี้เป็นการบาเพ็ญทานแบบปลืสีเป็นลูกสิทธิ์ของพวกปลูสีทีพราหในอดีตก่อนพระพุทธเจ้าเกิด เพราะพวกนี้เขาทำสมาธิให้จิตละเอียดเล็กลงไปเรียวลงไปจนกระทั่งตัวเองเกือบจะสามารถกำหนดจิตรู้จิตของตัวเองไม่ได้จึงไม่มีคำใดที่จะพูดดีไปกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะแต่จิตที่ดำเนินทานนี้ก็ประกอบด้วยองค์วิตกวิจารณ์ปีติสุเกะขาคตาเหมือนกันพระพุทธเจ้าเมตสโรก็มาดาเนิน ตามวิถีทางของฌานซึ่งประกอบด้วยองค์วิตกวิจารปีติสุขเอกขาตาเหมือนกับในลทัทธิศาสนาพลา์แต่พระองค์บำเพ็ญจิตของพระองค์ไปถึงแค่ฌานที่สี่ไม่ยอมให้เลยไปถึงอากาศวิญญาณและเอวสัญญานาสัญญาจตนะเว้นไว้แต่โอกาสใจที่พระองค์นึกสนุกก็เข้าฌานเล่น กานเข้าฌานสมาบัติเป็นกีฬ า, เ, าเป็นกีฬาของพระอริยะเวลาท่านอยู่บางๆท่านก็เข้าฌานเล่นๆไปเช่นพระมหากรสปะเข้าฌานาถึงสิบห้าวันอะไรทำนองนี้อันนั้นเป็นฌานสมาบัติที่ท่านถือเป็นกีฬากีฬาเครื่องเล่นของท่านแต่ผู้ที่จะปฏิบัติเจตเพื่อให้บรรลุมรรคผลนิพพานกันจริงๆ ลองทำสมาธิแบบที่เรียกว่าสมาธิในอริยมรรคสมาธิในฌานอีกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอารัมมณูปนิธานเป็นฌานที่เจตลุอยู่ในสิ่งสิ่งเดียวไม่เกิดสติปัญญาพอที่จะรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมดำเนินวิถีจิตให้เป็นไปตามในที่กล่าวในองค์แห่งสมาบัติแปด แต่สมาธิในอริยมรรคเรียกว่ารักขณูปนิธานถึงแม้ว่าจิตสงบละเอียดถึงขั้นฌานสี่แล้วเลยกว่านั้นจิตก็ยังสามารถที่จะมีสิ่งรู้ปรากฏผ่านเข้ามาให้จิตรู้อยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ผ่านเข้ามานั้นมีลักษณะแห่งความเปลี่ยนแปลงและมีความเปลี่ยนแปลงยักษ์ใหอยู่เสมอเจ้าจิตที่สงบนิ่งเด่นลอยอยู่เหนือเมฆ สามารถที่จะมองเห็นสิ่งเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลนยากจ้ายอยู่ทุกขณะแต่ในขณะนั้นจิตไม่สามารถที่จะสำคัญมั่นหมายว่าสิ่งใดเป็นอะไรเพียงแต่รู้นิ่งอยู่เฉยๆเท่านั้นแต่เมื่อจิตดำรงอยู่ในความรู้แจ้งเห็นจริงในลักษณะเช่นนั้นจิตลูสภาวะต่างๆโดยไม่มีสมมติบัญญัติความรู้ในขั้นนี้เรียกว่าความรู้ในขั้นโลกุตละ เป็นสัจธรรมสัจธรรมย่อมอยู่เหนือสมมติบัญญัติ